ถ้าเสขาทั้งหลายเนี่ยท่านคํานึงถึงไตรสิกขานี้ศึกษาอยู่ท่านคิดถึงสิกขาศึกษาท่านรู้สิกขาท่านรู้ท่านจึงศึกษาอธิฐานจิตศึกษาเนี่ยนะจึงก็รัดนะนะเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาอธิฐานจิตน้อมใจไปด้วยศรัทธาประคองความเพียรตั้งสติเอาไว้ตั้งจิตรู้ทั่วด้วยปัญญารู้ยิ่งทําที่ควรรู้ยิ่งเจริญทํำอ่ะ รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ละทำที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเต็มใจสมาทานประพฤติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระเสขะท่านเอื้อเฟื้อในศิกขาเหล่านี้มากเป็นชีวิตจิตใจของท่านเลยนะประพฤติเต็มใจมากสมาทานประพฤติเที่ยวไป ถ้าบอกว่าพระอริยะเนี่ยท่านหวงศึกการศึกษารักการศึกษาถึงจะทํางานอื่นก็คิดถึงแต่เรื่องการศึกษาเหมือนอะไรเหมือนว่าแม่แม่โ ค, โคแม่ลูกอ่อนถึงจะเลาะเล็มหญ้าไปเนี่ยนะก็ยังชำเลืองดูลูกฉันใดพระอริยะก็ฉันนั้นท่านจะคอยห่วงคิดถึงสึกขาของท่านอยู่เสมอ คำว่ามีมากนะั้นได้ว่าในศาสนาเนี่ย ม, ยมีพระอริยมากพระเสขะมีมากคือพระโสดาบานันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิพลพระสกทาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อสกท า, าคามีผลพระอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออนาคามีผลพระอารหันและท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออารหัตผล พระอริยบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะมีในทิฏฐิคือศาสนาเนี่ยมากมีในความควรความชอบใจความถือในวินัยธรรมวินัยในธรรมวินัยในปาพจนในสัตุศาสตร์ในอัตภาพในมนุษยโลกเพราะฉะนั้นบอกโอในศาสนานี้มีพระอริยะมากนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคำคำว่าแม้พระองค์มีปัญญาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีมีฌาน มีปัญญาเจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสอันฆ่าพระองค์ทูลถามแล้วคือไต่ถามทูลวิงวอนอาราธนาเชื้อเชิญให้ประสาทขอจงตรัสบอกคือจงบอกบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศซึ่งความดำเนินคือข้อประพฤติความเป็นไปความประพฤติโดยเอือ้อเฟื้อ ธรรมะอันเป็นโคจรธรรมะเป็นเครื่องอยู่ข้อปฏิบัติของพระอระหันตขีนาศผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วและพระเสขะเหล่านั้นก็คือถามถึงข้อปฏิบัติของพระอริยเนี่นะพระเสขะกับพระอเสขเพียงสรุปคําถามที่พระชิตาถามว่าพระอระหันตขีนาศเหล่าใดผู้มีสังขารธรรมและพระเสขบุคคลเหล่าใดในที่นี้มีมาก ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์เนี่ยผู้มีปัญญาจงตรัสบอกความดำเนินคือข้อปฏิบัติของพระอรหันตะขีนาศและพระเสขบุคคลเหล่านั้นแก่ข้าพระองค์เถิดเนี่ยนะก็ก็ฟังอริยสัจจบแล้วละ่ะแต่ก็ไม่บรรลุก็เลยถามถึงข้อปฏิบัติของพระอริยว่าพระอริยท่านปฏิบัติกันยังไงเนี่ยนะ เราพูดแบบไทยๆเราบอกพระอริยะท่านปฏิบัติกันยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตูก่อนอชิตะภิกษุไม่พึงติดใจในกามทั้งหลายมีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติเว้นรอบเก็คำตอบของพระข้อปฏิบัติของพระเสขบุคคลเนี่ยนะที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็บอกว่าต้องไม่ติดใจในกามทั้งหลาย ไม่ตัดไม่ติดใจในวัตถุ ก, กามด้วยกิเลสกามแล้วก็มีใจไม่ขุนมัวมันจะต้องละทุจริตก็ละปริยุทธานกิเลสมันพระเสขาท่านปฏิบัติอย่างนั้นส่วนพระอรหันเนี่ยฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติเว้นรอบคือมีสติตลอดเวลานั่นคือข้อปฏิบัติของพระอรหัน์คําว่าไม่พึงติดใจในกามทั้งหลายคําว่ากามก็แบ่งออกเป็นสองคือวัตถุ ก, กามกับกิเลสกาม วัตถุกรรมเป็นชนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะอันน่าพอใจพวกปิยรูปสาตารูปทั้งหลายเครื่องลาดเครื่องนุ่งหม่มทาสีธาตุแพะแกะไก่สุกรช้างมา้าโคลานาที่ดินเงินทองบ้านนิคมราชธานีแว่นแคว้ น, วนชนบทช้างข้าวเรือนคลังหรือวัตถุอันชวนให้กำหนัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าวัตถุกรรม อะไรก็ทำอะที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเรียกว่าวัตถุ ก, กรรมหมดแหละไม่ว่าจะโดยอตีตติกะคือที่เป็นส่วนอดีตส่วนอนาคตและส่วนปัจจุบันหรือว่าอัชติอัชะตะทุกะว่าทั้งที่เป็นพาอัชะตะติกะว่าภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอก น, นะทั้งเลวทั้งปานกลางทั้งประณีตเรียกว่าเฮนาติกะ แล้วก็มีในอบายมีในมนุษย์มีในทั้งที่เป็นของทิพย์เห็นไหมอปาญติกะก็คือที่ปรากฏที่เนรมิตเองหรือที่ผู้อื่นเนรมิตให้เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าการมติกะที่ห่วงแหนที่ไม่ห่วงแหนอันนี้ก็ทุกกะนะที่ถือว่าของเราที่ไม่ถือว่าของเราที่เป็นกามาวจรูรปาวจรารูปาวจรทั้งปวงธรมะอันเป็นวัตถุแห่งตัณหา ธรรมะอันเป็นอารมณ์แห่งตันหาชื่อวากามคือวัตถุกามเนี่ยเพราะอัตถว่าเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความเมานี่เรียกว่าวัตถุกามอะไรมั่งอ่ะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ไม่คนหนึ่งไปใคร่กับคนหนึ่งไปใคร่เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจทั้งนั้นเล ส่วนกิเลสกรรมเป็นไงตัวกิเลสก็คือฉันทราคะฉันทราฆะสังกับปะราฆะสังกับปะสังกับปะราคะเป็นกรรมความพอใจในการมความกำหนัดในการมความเพลิดเพลินในการมตัณหาในการมคือในในตัณหาในวัตถุกรรมเสน่หาในวัตถุกรรมเนี่ยนะความกระหายในการมความเร่าร้อนในการมความติดใจในการมความหลงในการมความพัวพันในการมในกรรมทั้งหลาย กามโอคะกามโยคะกามมุปาทานกามฉันทานิโวอนอันนี้เรียกว่าเป็นกิเลสกามทั้งนั้นแหละบอกดูก่อนกามเราได้เห็นรากเง่าของเจ้าแล้วถามว่ารากของกิเลสกามเกิดจากอะไรดูก่อนกามเจ้าเกิดเพราะความดำริถึงเกิดเพราะวิตกอะตรึกถึงนั่นแหละอย่างสมมุติในรูปเสียงกลิ่นรถบ้านช่องห้องหอเรือสวนไรนาที่เราอยู่กันตรงนี้เนี่ยถ้าไม่นึกถึงจะมีไหมมีมันเกิดจากความตรึกจริงๆคิดเอาไม่ใช่หรอ คุณโชคดีรถคิดถึงใช่ไหมคิดเอาไม่ใช่เลยมีจริงไหมหล่ะตรงนี้เอาอขณะนี้ไม่มีอ่ะตรงนี้ไม่มีอ่ะแต่มันคิดเอาใช่ยไหมเพราะไอ้ะนะอสิ่งที่คิดเอาเนี่ยมันจะมีจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้สมมติว่าเราคิดว่าเรามีเงินมันอาจจะตกหายไปตั้งนานแล้วก็ได้อย่างไงใช่ไหมคิดว่ามันมีอยู่ที่ไหนได้มันหมดไปแล้วอย่างเงี้ยนะลักษณะเนี้ยมันเกิดจากความคิดจริงๆ พรันเราจักไม่คิดถึงเจ้าล่ะดูก่อนกามเจ้าจักไม่มีด้วยอาการอย่างนี้ถ้าไม่คิดมันก็ไม่เกิดอกิเลสกลามเนี่ยคิดเอาจริงๆเลยนะคิดชอบนี่คิดชอบถามว่าที่คิดมันเป็นอย่างที่คิดหมดไหมล่ะโดยมากมันไม่ค่อยไม่ค่อยจริงอ่ะนั่นนะพันไอตัวตันหาเรียกว่าความติดใจเนี่ยนะคําว่าไม่ติดใจในกลามคำคือไม่ติดใจไม่ผัวพันไม่ เป็นผู s, inclined, anish, or men or men. ้ไม okay, ่ติดใจไม่ถึงความติดใจไม่หลงไหลไม่พัวพันปราศจากความติดใจสละความติดใจคลายความติดใจปล่อยความติดใจละความติดใจสลัดความติดใจปราศจากความกำหนัดสลัดความกำหนัดคลายความกำหนัดปล่อยความกำหนัดละความกำหนัดสลัดความกำหนัดในกิเลสกรรมทั้งหลายในวัตถุการมทั้งหลายเป็นผู้ไม่หิวดับสนิทเย็นแล้วเป็นผู้เสวยสุขมีตนประเสริฐอยู่ นี่เรียกว่าไม่ติดใจในกามทั้งหลายนะนพันคำว่าจิตมณะมณัสหทัยบัน德รเนี่ยนะความค้าผ่องอายตะณะคือใจอินทรีย์คือใจวิญญาณวิญญาณัขันมโนวิญญาณธาตุนี้ชื่อว่าใจเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจิตเป็นธรรมชาติคุณมัวยุ่งไปเป็นไปสืบต่อวันไว้ ม, มุนไปไม่สงบ ใจไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพราะราคะโทสะโมหะเพราะความโกรธความผูกโกรธเพราะความลบหลู่ตีเสมอริสยามัจฉริยะมายาสาไถยถือธรรมภะสารัมภะเนี่ยนะถือตัวแข็งดีอะความหยิ่งความเยอะยิงนีงนะความถือมานะความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาท จิตนี้เป็นธรรมชาติขุนมัวยุ่งไปเป็นไปสืบต่อวันไว้ไปหมุนไปไม่สงบเพราะกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวลกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลาภิสังขารทั้งปวงคําว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุนมัวความว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุนมัวคือไม่ยุ่งไปไม่เป็นไปไม่สืบต่อไปไม่วันไว้ไม่หมุนไปสงบแล้วด้วยจิตเนี่ยนะ คือพึงละสละบบรรเทาทําทให้มีในที่สุดให้ถึงความไม่มีซึ่งกิเลสทั้งหลายอันทําความขุนมัวพึงเป็นผู้งดเว้นเว้นขาดออกไปสลัดสงบหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายอันทําความขุนมัวพึงเป็นผู้มีใจปราศจากแดนกิเลสอยู่ที่กล่าวไปเรียกว่าข้อปฏิบัติของพระเสขะว่าพระเสขะท่านเป็นอย่างนั้นนะเป็นผู้ไม่ติดใจในกาม ไม่ติดด้วยอำนาจตันหาในวัตถุกามด้วยกิเลสกามเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีใจไม่ขุนมัวด้วยอำนาจบาปอากุศลพันพระเสขะท่านปฏิบัติกันอย่างนั้นส่วนพระอเสขะนั่นนะกุสโลสัพพธรรมมานังเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงท่าพระอรหรันต์น่ยนะคือฉลาดว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมสังขารทั้งปว ง, ง, ง, ปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมปฏิโลมเนี่ยนะรู้อริยสัจ รู้เหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนาขันห้ามหาพูดสี่รู้อภินยยธรรมเป็นต้นนะตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพาฐานเนี่ยท่านฉลาดในธรรมทั้งปวงด้วยอาการอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งพึ่งเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงคำว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงก็คือฉลาดใน ขันธ์อรยตนะเนี่ยนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นสภาพชำรุดเป็นเสนียดเป็นอุบาทความไม่สำราญเป็นภัยเป็นอุปสรรควันไว้ผุพังไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรเร้นไม่มีสาระไม่เป็นที่พึ่ง ว่างเปล่าศูญย์เป็นอนัตตามีโทษมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เป็นแก่นสารเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นผู้ฆ่าปราศจากความเจริญมีอาสวะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อของมานเป็นของที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกความเสียใจพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นธรรมดาเนี่ย มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดามีความเกิดความดับไม่มีอาสาทะมีแต่โทษตัวขันเองก็สลัดออกไม่ได้เนี่นะเพราะฉะนั้นเพิงเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงด้วยอาการอย่างนี้ก็คือในขันธาตุอายตนะนี่เอามาทำตีระปริญญาปหาหะนปริญญาให้หมดเลยนะอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในขันธาตุอายตนะเนียก็ครือฉลาดในปริญญาธรรมนั่นเอง ฉลาดในปฏิจจสมุปาทก็คือปหาตัปธรรมเพราะว่าตัวปัจจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละนะโดยเฉพาะอาวิชากตัญหาเนี่ยฉลาดในภาเวตัปธรรมก็คือสติปทานสมมัิปทานอิทิบาทอินทรีย์พะละโพชงอริยมักเยเนี่ยฉลาดในสัชิกาตัปธรรมก็คือในอริยผลในนิพพานนี่เรียกว่าผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวง อีกอย่างหนึ่งอายตนะ12ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรูกายกับโพธิภะใจกับธรรมารมณ์เรียกว่าธรรมทั้งปวงก็ภิกษุเป็นผู้ละความกำหนัดในอายตนะภายในอายตนะภายนอกคือตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนตามยอดดวนถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุใดพิกษุพึงเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้น คือทำยังไงจะตัดตัญหาได้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยข้อปฏิบัติไดทำอย่างนั้นแหละเนี่ยนะคำว่าสโตมาจากคำว่ามีสติคำว่ามีสติด้วยเหตุสี่ประการมีสติเจริญกายานุปัสนาสติปทานในกายมีสติเจริญเวทนานุปัสนาสติปทานในเวทนาทั้งหลายมีสติเจริญจิตตานุปัสนาสติปทานในจิตทั้งหลาย มีสติเจริญธรรมมนุปัสสนาสติปทานในธรรมทั้งหลายก็คือการเจริญสติปฐาน4ี่ในกายสิบสี่บพะเวทนาเก้าจิตสิบหกธรรมะห้าหมวดนั่นเองหรือว่าเป็นผู้มีสติด้วยเหตุสี่ประการคือมีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้มีไม่มีสตินะถ้าจะมีสติก็ต้องหมดความไม่มีสติเว้นจากความไม่มีสตินะถ้าจะหายเมาก็ต้องไม่เมานะท่านอุปมา หรือว่าเพราะธรรมะเป็นเพราะทำธรมธรมะเป็นที่ตั้งแห่งความทำสตินนก็คือพวกข้อปฏิบัติที่เป็นมรรคเนี่ยจะต้องเจริญด้วยสติเพราะละธรรมะอันเป็นค่าศึกต่อสติก็คือพวกนิวรณ์ไม่หลงลืมธรรมะอันเป็นนิมิตแห่งสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมภิกษุมีสติด้วยเหตุสีประการแม่อื่นๆคือมีสติเพราะประกอบด้วยสติชำนาญด้วยสติคล่องแคล่วด้วยสติไม่กลับ ปงจากสตินะ้ว่าต้องถือต้องปฏิบัติต้องเจริญตลอดไปเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้มีสติด้วยเหตุประการอื่นอีกก็คือมีสติเพราะเป็นผู้มีสติเสมอเพราะความเป็นผู้สงบเพราะความเป็นผู้ระงับเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของผู้สงบหรือว่ามีสติเพราะพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศีลาจาคาเทวตาอาณาปานสติ มรณะนุสติกายคตาสติอุปสมานุสติเนี่ยนะปุสติสัมมาสติสติสัมโพธิชงเอกายนามักนี่เรียกว่าสติภิกษุเป็นผู้เข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้ามาถึงพร้อมประกอบด้วยสตินี้เรียกว่ามีสติโดยคําว่าภิกษุเนี่ยนะพิกษุก็เพราะว่าเป็นผู้ทําลายธรรมะเจประการก็คือทําลายสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและพัตตปรามาตราคะโทสะโมหะมานะ ภิกษุนั้นเป็นผู้ทําลายอากุศลธรรมอลาโ ม, มกอันทําให้เศร้ามองให้เกิดในโภพใหม่มีความกวนกวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสพยะภิกษุนั้นบรรลุถึงนิพพานแล้วเพราะธรรมะเป็นหนทางที่ตนทำแล้วเนี่นะข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วละแล้วซึ่งความเสื่อมและความเจริญอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีภพใหม่สิ้นแล้วเนี่ยนะก็คว่าพิสูเน์เน้นที่คุณธรรมของพระอรหันต์นั่นเองคาว่าพิสูุพึงมีสติเว้นรอบเนี่ยนะก็คือพิกษุเนี่ยมีสติเว้นรอบมีสติเดินมีสติยืนมีสตินั่งมีสตินอนเนี่ยนะเรียกว่ามีสติในอิริยาบทสี่ก็มีสติในการก้าวไปถอยกลับมีสติในการแลเหลียวคูเข้าเหยียดออกทรงผ้าสังขาติบาจีวอ เรา่มีสติเที่ยวไปพึงมีสติอยู่คือเป็นไปเปลี่ยนแปลงรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพิกษุไม่ติดใจในกามทั้งหลายมีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติเว้นรอบาารเนี่ยพาหันเนี่ยฉลาดในธรรมทั้งปวงแล้วก็มีสติเว้นรอบอย่างนี้พร้อมด้วยเวลาจบพระคาถา ธรรมจักรสุคือโซธรรมจักรสุก็คือมรรษาเบืองต่ำเนี่ยปราศจากธุรีปราศจากมนทินเกิดแล้วแก่เทวดาและมนุษย์หลายพันคือบรรลุมากเผู้ที่มีฉันทะมีประโยคะมีความประสงค์มีวาสนาร่วมกันกับอาชีตพรามณ์นั้นว่า คือเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยพอฟังจบรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาคือด้วยอนุภาพของอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะแทงตลอดสังคตาธรรมโดยกิดว่าสังคตาธรรมทั้งปวงเนี่ยมีความเกิดคือเกิดจากปัจจัยเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าแทงตลอดนิโรธอย่างนี้แล้วก็สังคตะธรรมเหล่านั้นจะดับไปเป็นธรรมดา และจิตของอาชิตะพราหมณ์นั้นก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นพระชิตตะตับพิสุบริวานเนบรนลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นหนังเสือชดาผ้ากรองไม้เท้าลักจันน้ำผมแล้วก็หนวดของอาชิตะพราหมณ์หายไปพร้อมด้วยการบรรลุเป็นพระอรหันต์เรียกว่าทรงเครื่องแบบของพระอรหันต์เลยนะพระชิตะพราหมณนั้นอ่ะเป็นพิสุครองผ้ากาสายะเป็นบริขารทรงสังคาติบาทและจีวร เพราะการปฏิบัติตามประโยชน์นั่งประคองอัญชลีนมั ส, สการพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดา ข, ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกนนเนี่ยนะจบคาถาก็บรลุเป็นพระอรหันเนี่ยนะแสดงว่าเป็นผู้มีบุญมากนนเนี่ยเป็นผู้ที่สะสมบุญบารมีมาจริงๆจึงฟังทำหดังที่กล่าวไปก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยะได้